ถ้าแต่ละวันมีโยมขนาดนี้นะหลวงพ่อจะปลื้มมากหลวงพ่อครับจิตจิตประพัดสอนกับจิตเดิมแท้นี่หมายถึงสิ่งเดียวกันหรือเปล่าครับคนละอันกันคนละเรื่องเลยจิตประพัดสอนนะ่ไหมแล้วมันก็เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอนมาจิตเดิมแท้ไม่เศร้าหมองแล้วคำว่าจิตประพัดสอนมันก็เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวมันยังเป็นจิตที่ประกอบด้วยเอาวิชาอยู่มีความโง่ วิชามันไม่รู้แจ้งอริอยสัจไม่รู้ความจริงของขันห้าเขาไม่รู้ความจริงของขันห้าปล่อยไม่ได้ก็ไม่เห็นนิพพานและจิตซึ่งไม่รู้ความจริงของขันห้ายัางสําคัญมั่นหมายว่าขันห้าเป็นของดีของวิเศษอยู่นั้นอย่างดิ้นรนที่จะให้ขันห้านี้มีความสุขดิ้นรนจะให้ขันห้าพ้นทุกอยู่นั้นจิตที่ประพัดสอนนี่นะยังโง่เดี๋ยวก็เศร้าหมอง มองไปเพราะมันไปดินนะ่ะดินมากไปตกเหวตกบ่อไปส่วนจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งนะั้นเป็นจิตที่มันพ้นจากความปรุงแต่งไปแล้วเป็นมหากริยาจิตถ้าพูดแบบอภิธรรมนะมันคือมหากริยาจิตเป็นจิตซึ่งไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ละคนละเรื่องนะคนละโลกเลยมีจิตประภัฒสอนขึ้นมาก็แค่จิตไม่จะช่วงที่ยังไม่ถูกกิเลสอื่นๆครอบงํา แต่เอาวิชาครอบงำเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็คือจิตที่พระอนาคามีสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็คือจิตแค่จิตพระพัดสรหรือเปล่าครับไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่มีใครสัมผัสได้ตลอดเวลาหรอกเพราะไม่มีอะไรเกิดตลอดเวลามีแต่เกิดแล้วก็ดับเออเองแต่พระอนาคามีสัมผัสเนืองเนืองที่สัมผัสเนืองเนืองเพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่หลงในกามจิตไม่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ น, ะนั่นเอง แล้จิตก็ไม่ไปตรึกในรูปเสียงกลิ่นรสประทับพระงั้นมันไม่มีสิ่งเย้ยยวนจิตก็เลยตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นส่งสมาธิเรื่องมีสมาธิบริบูรณ์แต่ไม่ใช่เข้าฌานทั้งวันสมาธิบริบูรณ์กับเข้าฌานทั้งวันคนละเรื่องกันอีกใจมันตั้งมั่นไม่ไหลไปในกามอะไรถามอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็เลิกละยังไม่ส่งเงินบ้านเลยก็พอดี หนูพ่อบอกว่ามันโม ว, ม ว, มวมัวไปก็เลยหัดดู่ไปประคองเลิกเลิกจงใจนะเลิกคนกวา้าเลิกติ้นรนรู้ซื่อซือรู้ซื่อซื อ, ซ อ, ซ อ, ซ อ, ซอไปหมอพีดูออกไหจิตหมองไปแล้วจิตมีโมหะเขารู้ไปนะหากคุณตรงเดือนที่ผ่านมามันมีความหนักความแน่นไม่ได้หนักแน่นนะมันมีความหนักกับแน่น mm hmm. เห็นในการยึดเดี๋ยวหมอพีภาวนาดีนะ ภาวนาดีไม่ต้องตกอกตกใจดูเพี้ยนไปแล้วล่อยมันสิล่อยมันนะอย่างตะกี้ดีกว่านี้นี่ไปอัดมาแล้วนะี่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วไม่ต้องดิ้นรนมากรูนะ้ไปเรื่อยเห็นไหมมันปร่งโปร่งมันไม่มีอะไรหรอกดูไปเรื่อยวันนึงใจมันก็พ้นจากทุกคุณตรงมันก็หนักหักนะครับ อย่าจริงจังอย่าจริงจังมากนะทำเล่นเล่นถ้าทาจริงนันจะหนักปล่อยปล่อยซิปล่อ ย, อ, ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันรู้ด้วยใจที่เป็นกลางลูกเดียวเลยตรงในีใจเราไม่เป็นกลางเหมือนกันหนักขึน้นนะก็ะเห็นมันหนักหักนะครับมันง่ายง่ายกว่าที่คิดอีกไม่มีอะไรเลย ที่มีปัญหาขึ้นมาเพราะเราไปทํามันขึ้นมาเองเรารู้ทันใจที่แอบไปทำเนี่ยถ้าเรารู้ทันใช่ไหมทําไมมันไปทํามันมันอยากอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากบรรลุอะไรเงี้ยพอมันมีความอยากขึ้นมามัน ก, ก็สร้างภพคือทํางานมันก็มีความทุกข์แน่นๆขึ้นมาเป็นวิบากห้ามไม่ได้ตัวแน่นๆนี่ห้ามไม่ได้ต้องรู้ต้นทางคือความอยากอย่าปฏิบัติอะไรเงี้ย พรู้ต้นทางความอยากดับนะการสร้างพบก็ดับแล้วก็สัมผัสกับนิพพานค่อยรู้สึกง่ายกว่าที่คิดนะอย่าดิ้นรนเยอะนะมีอะไรอีกไหมว่าไปมันเหมือนเราไม่ไมดีกว่าครับ <c oughs> รู้เล่นๆนะคุณตงมันง่ายกว่าที่คิดไว้จริงๆแล้วขันห้าเป็นของหนัก สมมตินี่ขันห้ามันหนักได้เพราะเราไปหยิบมันไว้ถ้าเรารู้ทันนะไม่เห็นมีประโยชน์เลยนี่มันจะวางของมันเองวางแล้วมันจะหนักแค่ไหนมันก็ไม่หนักเป็นภูเขาทั้งลูกหนักแต่เราไม่ได้ไปแบกภูเขาไว้ภูเขาก็ไม่หนักสำหรับเราใจนี้ก็เหมือนกันนะรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรืยรู้ไปนะมันอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยมันง่ายกว่าที่นึกไว้เยอะ ไม่หายไ ม, ไม่เป็นไรดูเอาจีรัสนะก็โอเคครับโอเคครับใช้ได้หญิงเอ๊ะเอมันก็เป็นธรรมชาติขึ้นนะคะหลวงพ่อไม่ปกครองนะปล่อยเลยแค่เป็นธรรมดาเบอร์ร้อยแปดามนมัสการค่ะ <c oughs> เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมากราบเรียนถามท่านว่า ใช้พุโทโธเป็นวิหารธรรมแล้วท่านเตือนว่ามันกำลังจะซึมพอกลับไปก็เลยระวังค่ะแล้วมันก็จะมันก็จะเหมือนกดๆอย่างหนึ่งกับอีกอันนึงก็คือซึมๆคือง่วงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีเสียงหลวงพ่อมาแล้วมันก็จะหายไปก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นซึมก็ก็ดูสงสัยไปเฉยๆตอนนี้ไม่ซึม แล้วก็ตอนนี้ก็คือไม่มีพุโทโธแล้วค่ะมันชอบไปอยู่กับเพลงแต่ว่ามันมันจะมีสติธรรมดามาเตือนอันนี้ก็ต้องเอาพุโทโธกลับมาไหมคะไม่ต้องนะร้องเพลงไปแล้วใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ฝึกสติทั่ ว, วไปก่อนฝึกอย่างนี้แลกฝึกไปกลับนมัศการเริ่มแน่ น, น, นตอนที่ใหม่เริ่มเข้าใกลอะะ้อ่ะค่ะแล้วก็อย่างเมื่อก่อนเห็นว่าตัวเองไม่ดีแต่ว่าเหมือนไม่ยอมรับ <Es pe c> ชอบไปปรุงแต่ง <Es pe c> แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกเริ่มยอมรับได้มากขึ้นค่ะดีต้องแก้ไขไม่แก้สิ <Es pe c> นะรู้ได้ถูกต้องแล้วไม่แก้แล้วอย่าอย่าไปคิดว่าทํายังไงจะดีทําังไงจะถูกนะไม่ได้ทําเอาเดียวถูกมันเป็นยังไง ร, รู้ไปเรื่อยเพื่อจะได้เห็นความจริงถึงวันหนึ่งมันจะปิ้งขึ้นมาเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราจับหลักให้แม่นนะ เราภาวนาแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อมุ่งมาให้เห็นความจริงว่ากายกใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีดูไปอย่างนี้ตัวเรามันมีขึ้นมาเพราะความคิดถ้าเมื่อไหร่เรามีสติเราดูดออกจากโลกของความคิดกายกใจก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วนี่พอไม่ใช่ตัวเราเห็นแรกๆเนี่ยใจยังยอมรับไม่ได้มันรักตัวเองมากเนจะดิ้นรนให้รู้ทันครับอีกจนในที่สุดใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางรู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางไม่ปรุงต่อเลย เห็นเลยว่า s, โลภโกรวหลงก็ไม่ใช่เราร่างกายก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราเมื่อมันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นยังไงก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราดูอย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยใจมันยอมรับตรงที่ว่าบรรลุพระสดาบันก็คือใจมันยอมรับความจริงว่าเราไม่มีมันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ใจเราจะดื้อที่สุดเลยใจเราจะรักตัวเองห่วงแหนตัวเองหวงแหนสิ่งที่เรียกว่าเราคือห่วงแหนกายกับใจห่วงแหนขันห้านี้หวง พอมีสติขึ้นมาหลุดออกจากความคิดเริ่มเห็นว่าไม่ใช่เราก็ทนไม่ได้อีกบางทีก็อยากให้มันพ้นเร็วๆดิ้นมันยิ่งดิ้นยิ่งช้ารู้เล่นๆนะรู้เล่นๆแล้วไปเร็วมากเลยต้องใจถึงถึงคุณตรงถอยขึ้นมาถอยขึ้มานะแรงไปถล่าไปจ้องมันแล้วทำใจสบายลืมคำว่าภาวนาซะลืมคำว่าปฏิบัติแล้วยิ้มหวานๆก่อน เอออยู่ที่นี่นะตรงนี้ที่นั้นไม่ใช่ตรงนี้ถึงจะใช่รู้สึกไหมตรงนี้ไม่มีอะไรจะอยู่ผิดที่นะเพราะนั้นไปนสร้างพบอยู่แล้วถล่มเพราไปอยู่ในพบอะ อ, อย่างนี้ถึงจะหลุดออกมาละเมื่อกี้พยายามเทศจะให้หลุดไม่หลุดนะต้องปล่อยทิ้งช่วงไว้หน่อยอยู่ตรงนี้นะรู้ไปด้วยถ้เห็นไม่ทุกอย่างผ่านมาผ่านไปตัวนี้จิตจะเปลี่ยวและจิตจะไม่เข้าไปคล้องแว่อะไรเลยนะตัวนี้มันจะเป็นจิตที่ใช้เจริญวิปัสสนาแท้ๆเลย ลัดเร็วว่างไวที่นี่ชื่อสวนนะสวนสันติธรรมที่ปลูกต้นไม้ตอนนี้ต้นไม้ออกดอกออกผลเยอะแยะนะเตรียมเตรียมจะออกดอกอีกเยอะแยะเลยอีกสี่ห้าปีข้างหน้าเนี่ยจะมีมากนะจะเยอะเลยพวกเรานี่แหละจะเข้าไปถึงใจมันจะยอมรับครูบาแมนแกจีเนสนะตอนก่อนจะบวชเนี่ย อายุก็ไม่มากนะแต่ราชบัณฑิตเนี่ยเคยเชิญไปไป p r e s e n t ์ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งคำนวณปฏิทินพระจันทนระ์เน่ะนั้นแกบอกได้วันพระของปีศักราร800มีวันพระอันไหนบ้างเลยนี่ตอบได้นะย้อนไปย้อนมานะจนถึงว่าพศที่ 5,000 นเนี่ยวันวิสาขะของพศ5 0 0 0วันที่เท่าไหร่ก็ยังคำนวณได้ น, ะนี่จ e เ i ียสมากเลย แล้วแกคำนวณไปคำนวณมานะเขาบอกว่าศักราชมันเคลื่อนอยู่50ปีแต่นี้พวกฝรั่งมันก็รู้เหมือนกันเนี้ศักราชเนี้ยเคลื่อนอยู่50ปีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะพศ2501นหานึ่งขณะนี้กึ่งพุทธกาลอยู่พวกเราอยู่ในกึ่งพุทธกาลแท้ๆนะ การนับสกรารอย่างสิงหนเนี่ยมันจะนับกษัตริย์องค์นี้ครองราชเท่านี้ปีองค์นี้ครองราชเท่านี้ปีมันจะบวกแล้วมันเกินเกินเลเกินไป50ปีงนินยุคของเราเนี่ยเป็นยุคที่กำลังเปลี่ยนยุคพอดีเลยเปลี่ยนยุคเรียกว่ากึ่งพุทธกาละเปลี่ยนจากยุคของเกษตรนะมาสู่ยุคของอุตสาหกรรมบริการผู้คนจากสังคมในป่าในชนบทมาอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ เรากำลังอยู่ในรอยต่อของการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยพวกเรานี่แหละถึงจำนวนมากเทียบกับที่อื่นนะเทียบกับวัดต่างๆพวกเรามีจำนวนมากแต่เทียบกับคนข้างนอกแล้วเรามีจำนวนนิดเดียวให้เราต้องศึกษานะธรรมะทรงธรรมะไว้ให้ได้หวังพึ่งคนอื่นไม่ได้เลยหวังพึ่งพระพึ่งอะไรอย่าหวังนะทุกคนมีความสาคัญ จะศึกษาให้ได้แล้วก็ธรรมะเป็นของกลางใครศึกษาคนนั้นก็ได้ไม่เลือกหรอกผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นชีเป็นฆราวาสไม่เลือกหรอกใครทำก็ทาได้ทางนั้นแหละแต่ว่าถ้าคั้ละเอียดขึ้นไปเนี่ยเป็นฆราวาสทํายากเพราะว่ามีเรื่องจุกจิกกวนใจเยอะต้องมีความปลอดโปร่งไม่มีเครื่องกังวลเครื่องกดทุวงเนี่ยการภาวนาก็จะไปง่ายอย่างในวัดหลวงพ่อถึงหลวงพ่อดูมาก ทำไมวัดหลวงพ่อเรียบร้อยทำไมคนภาวนาได้รวดเร็วเพราะใครที่มีปัญหาหลวงพ่อเอาออกหมดเลยหน้าอินหน้าพรหมไม่เอาของนั้นะ่ะเราไม่ใช่ที่เลี้ยงเหลวไหล ๆ, ๆแต่ละคนกงลังทำงานที่สำคัญคืองานที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์งานศึกษาศา ส, สนาแล้วก็จะต้องสืบทอดศาสนาด้วยเป็นภารากิจสำคัญนะ หลวพ่อตั้งความปรารถนาไว้นานนักหนาแนละ้วตั้งความปรารถนาไว้สามข้อข้อแรกนะขอให้ถึงที่สุดตามพระพุทธเจ้าไปให้ได้ข้อที่สองนะขอให้มั่นคงอยู่ในาศาสนาพุทธเนี่ยไม่ว่ า, าศาสนาพุทธไปอยู่ที่ไหนเราขอไปด้วยาศาสนาพุทธไปเกิดที่ไหนเราไปด้วยขอตามอย่างนี้ไปด้วยไม่เคยขอนะว่าขอเป็นคนไทยตลอดแต่เราคนไทยบางทีมันก็ไม่มีาศาสนานะไม่จําเป็นอก บางช่วงเวลาไม่มีศาสนาพุทธเราก็ภาวนาของเราทําความสงบไปช่วงมีศาสนาพุทธเราก็เจริญปัญญาอะไรเงี้ยงานปฏนิทานอันที่สมก็คือขอให้ได้สืบทอดศาสนานะในช่วงของการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยในดังกลิ่นบอกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเหมือนคนที่ทุม่มก้อนหินใหญ่ๆลงไปในน้ำนะบอกตอนนี้น้ํากระเพื่อมไปทั่วโลกแล้ว วันหนึ่งพวกเราก็จะเติบโตขึ้นมาแต่ละคนก็ต้องไปสืบทอดในแวดวงของตัวเองไปอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเลยแต่ละคนนี่แหละมีความสำคัญอยู่ในตัวเองแล้วเนีย่ยศึกษาให้ดีเลยนะศึกษาให้ดีในหลวงพ่อต้องพยายามประสานทั้งปฏิญติทั้งปฏิบัติไหมปฏิเวทอะไรเนี่ยเอามาลิงก์กันจนหมดเลย สายกายสายจิตสายโน้นสายนี้่ไมัมย์มันรวมกันได้หมดเลยถ้าจับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้แม่นแล้วไม่มีสายไม่ต้องแยกกันไม่ต้องทะเลาะ ก, กันฝึกมายัางไงก็ได้อย่างคุณตรงเนี่ยหน้าตาอย่างเนี้ยฝึกมาจากท่านโคเรนกานะฝึกมาแบงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรอ้าวป้อมออมันเวลามันเห็นกิเลสแล้วยังอดเข้าไปแทรกแซงไม่ได้อะคะ่ะหลวงพ่อ เพราะว่าบางทีมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่รีบกดข่มไว้แล้วมันจะหลุดผิดศีลไปอะค่ะรักษาศีลนะแต่ไม่กดข่มจิตผูกปากไว้จะไม่ต้องกดจิตนะแค่ผูกปากก็พอแล้วนะเดี๋ยวไปกดมันนี่กดมันนะก็คือการทําจิตให้บอบช้ําไม่กดปล่อยจิตให้เข้าเป็นอิสระเขาโปร่งโล่ ง, ลงเบานะปล่อยเข้าไป คือหมายถึงว่าถ้าจิตมันโกรธก็ก็ดูมันโกรธไปแต่ว่านะดูเหมือนคนอื่นโกรธเหมือนดูยายบ้าคนหนึ่งโกรธดูอย่างนี้นะแต่ปุบปากไว้นะปิดปากเก็บมือเก็บเท้าไว้ถือศีลห้านะคือหนึ่งปากสองมือสองเท้าเก็บไว้ก่อนนะบางทีมันเหมือนถ้าถ้าไม่กดข่มไว้แล้วกลัวมันจะหลุดออกจากปากค่ะแต่ว่าถ้าปิดปากเฉยๆแล้วใจมันดิ้นนั่นแหละให้ใจมันดิ้นแล้วตามดูใจที่ดิ้นไป เห็นไหมมันดิ้นของมันเองดูอย่างนี้นะเมื่อเมื่อวานมีเรื่องขัดใจอะค่ะมันก็เลยส่งผลให้กลุ่นมาถึงวันนี้ค่ะอจิตมันก็เลยหนักหนักรับมิบากเวลาที่เราผ่านช่วงที่กิเลสรุนแรงแล้วเนี่ยจิตต้องเศร้าหมองไปช่วงหนึ่งนะจิตเศร้าหมองอย่างหนุ่มหนุมเนี่ยนะไปเสพตามยังไงจิตก็ต้องเศร้าหมองเศร้าหมองสามวันนี่ถ้าเสพทุกวันเนี่ยมันจะไม่มีวันผ่องใสเลย เ <ś led> งินต้องเว้นบ้างนะทั้งที่เมื่อเช้าก็ใจสบายค่ะแต่ก็ยังมีหนักลึกๆอยู่แสดงว่ามีเป็นผลจากนิวานนะคะอ่าเป็นผลเขปล่อยมันรับวิบากไปอาภาาิสานจิตมีโมหะ <ś led> ครับหลวงพ่ออืมแล้วก็ไปกดมันโมหะไม่มีปัญหาหรอกไปกดมันนจะเป็นปัญหาไม่เห็นเลยครับฮะไม่เห็นเลยครับไม่รู้ไม่รู้เรื่อ ง, <ś led> งรู้สึกไม่มีตัวหนึ่งนิ่งๆอยู่มีความนิ่ง อ๋อมีอครับน<ม>ี<ม>่แ ไ, ไปกดเอาไว้วันนี้ฟังเรื่องหมอพีแล้วมันอิจฉามากเลยครับหลวงพ่อครับคือไม่มีขนาดจิตใดที่ผมรู้สึกว่าอนุโมทนาเลยครับนะแต่มันมีเลวร้ายกว่านี้อีกอะครับก็คือพอเวลาหลวงพ่อผมหมอพีว่าหลงไปแล้วเนี่ยผมสะใจธรรมดานะตอน แม่ฉีภาวนาได้ครูบาภาวนาได้พวกเราพึ่งเขิมแต่ถัดจากนี้จะเริ่มจ่อยแล้วรู้ไหมถัดจากนี้คือคนโน้นได้คนนี้ได้เต็ม ไ, ไปหมดเลยมีคนนําร่องไปล้วนะแต่หลวงพ่อยังไม่ได้บอกว่าหมอผีได้นะออยา่าขี้ตู่นะหลวงพ่อไม่ได้พยากรณ์ไปให้ดังตรินพยากรณ์เลยเพราะว่ดังตรินเขามีหนังสือชื่อกรรมพยากรณ์ใช่ไหม <laughs> มันมีกิเลสที่ชอบมาหลอกให้ให้ตกจากรู้อะค่ะก็คือบางทีมันชอบเกิดจิตอกุศลคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบมันพรไม่ชอบมันมันก็เลยมันจะตกไปจากรู้อยู่เรื่อยๆค่ะเออดีแล้วค่ะช่งแมวนะใจมันดิ้นรนมากดิ้นรนมานานพวกลูกศิษย์รุ่นเก่าเสียเปรียบลูกศิษย์รุ่นใหม่นะลูกศิษย์รุ่นใหม่เนี่ยหลวงพ่อธรรมะมาเคลียออกไปเต็มกระดานเลยดูง่ายแล้ว ลกศิษยรุ่นเก่านะอา้าวลุกคึกตัวอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเพราะอะไร อ, อธิบายได้ไม่ชัดเท่ากับคนรุ่นหลังๆที่มาเรียนการรุ่นแร ก, แรกๆคล้ายๆหลวงพ่อคลำ ม, มาทางเนี้ยหลวงพ่อก็บอกว่ามาทางนี้สิถ้าจะดนะีแต่มาถึงรุ่นหลังๆนี้พวกนี้เรียนง่ายกว่ารุ่นก่อนนี่อย่างแมวเนี่ยมันดิ้นรนมากเรียนมานานแล้ว ใ, ใจมันดิ้นไม่เลิกมันเพิ่งจะมาค่อยๆ ค, ค, คลายการดิ้นลงช่วงหลังนี่เองค่นะ ดีฝึกไปเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเป็นคนหนึ่งแหละที่จะเอาตัวรอดค่ะ<น>ก็ช่วงหลังนี้รู้สึกว่าเห็นว่ามันมีมีเผลอบ่อยขึ้นค่ะหมอพีทำอะไรอ่าดีใจไหมส า, ารไ ม, ไม่ดีใจไม่ทันฟังหลงอยู่ครับห <laughs> ลงเหมือนกันใช่ไหมหลงยิ่งกว่าเขาอีกดีแล้วหมอพีภาวนาดีแล้วนะไปดูนะดูสักสามเดือน ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อไว้บอกว่าถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าเกิดมรรคเกิดผลอะไรเนี่ยให้ดูเป็นสักสามเดือนว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมเช่นความรู้สึกมีตัวมีตนเนี่ยผุดขึ้นมาอีกไหมหรือจิตกลวงอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้เจตนาแต่ถ้ากลวงโดยเจตนาธรรมนี้กลวงด้วยสมถะใช้ไม่ได้นะปล่อยมันแล้วเราก็พยากรณ์ตัวเองวันนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วไม่มีใครพยากรณ์ให้เรา ท่านไม่ได้มอบสิทธทิบัตรให้มีผู้ใดผู้หนึ่งพยากรณ์แทนท่านนะท่านให้เอาพระธรรมเป็นศาสดาเพร า, ศาะงั้นธรรมะนี่แหละจะเป็นตัวพยากรณ์เราให้เราตามรู้ไปไม่ว่าสภาวะใดเกิดขึ้นนะเราคิดว่าบรรลุและน่าจะใช่อะไรเงี้ยนะเราก็แขวนไว้ก่อนใช่หรือไม่ใช่แกวนไว้ก่อนเราตามดูไปนานๆนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยบอกหลวงพ่อไว้นะบอกว่าลองใช้เวลาสักสามเดือนสามเดือนเนี้นะถ้าเราไม่ได้ประคองไม่ได้รักษานะ แต่ว่าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ค่อยเชื่อไดนะ้ถ้ายังไม่ถึงสามเดือนก็อย่าเพิ่งไปเชื่อใครพยากรก็อย่าเชื่อนะกิเลสมันหลอกเราได้คนที่พยากรได้เด็ดขาดมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวคนอื่นท่านไม่ได้มอบไว้ให้งั้นเราเอาธรรมะมาดูธรรมะอะไรละ่ะพระโสดาบันมีธรรมะอะไรนะลาสักยัิฐิได้ลาความเห็นว่ามีกายกายกระจมีตัวเราเป็นตัวเรา ในสเดือนนี้จะรู้สึกสักแว บ, บหนึ่งไหมว่ากลายเป็นเราใจเป็นเราขึ้นมาใครดูไปครรู้สึกเอานะแล้วถ้าเกิดพลาดพลั้งทําผิดศีลเนี่ยเศร้าหมองมากไหมไปดูเอาแต่ดูยากถ้าดูความเป็นเราฝุดขึ้นมานะดูง่ายให้ดูไปนะสักสามเดือนไม่้นอย่าไปเชื่อใครพยาก ร, กรก็อย่าเชื่อเดี๋ยวก็กลายเป็นคนตาบอดจูงคนตาบอดเชื่อไม่ได้นะ เราต้องดูของเราเองตัดสินด้วยธรรมะไม่ใช่ตัดสินด้วยคําบอกเล่างั้นอย่างจิตที่เข้าถึงความว่างแล้วเนี่ยไม่เห็นตัวเห็นตนดูลงมาแล้วก็กลวงๆไม่มีตัวมีตนมันจะทรงอยู่อย่างนี้ได้ไหมหรือวันหนึ่งเกิดตัวเกิดตนขึ้นมาอีกถ้าเกิดตัวเกิดตนขึ้นมาอีกก็อย่าเสียใจให้ดีใจเขาไว้รู้แล้วว่าไม่ใช่ให้ดีใจไว้จะได้ดูต่อ ถ้าไปสำคัญมั่นหมายไว้ใช่แล้วก็พยายามกลบๆเกลือกล่อนๆพยายามไม่ดูนะเราจะนอนทับกิเลสอยู่อย่างนี้เราจะอันตรายมากในสมัยพุทธกาลนะหลังพุทธกาลนิดหน่อยมีพระองค์หนึ่งชื่อพระมหานาคาพระมหานาคามีอายุมากนะตั้ง80ปีหรือ120ปีหลวงพ่อจำไม่ได้ละคืออายุเยอะมากนะพระมหานาคาเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเลยตอนนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าไม่อยู่ละ ขึ้นชื่อเลยชาวว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งมีพระอรหันต์องค์อื่นท่านก็ยอมรับนะว่าเนี่ยคงจะใช่แล้ววันหนึ่งท่านเดินในป่านะเลี้ยวหัวมุมทางเดินในป่านะเจ้าเอ๋เอาช้างเขา้าช้างก็ตกใจนะท่านก็ตกใจนะช้างแวกขึ้นมานะใจท่านหายว่าบเลยแลนะ้ช้างก็วิ่งไปท่านดีใจนะเรายังไม่จบเรายังไม่จบท่านดีใจนะท่านไม่ได้โอ้ตายแล้วฉันจะทันเลยนี่ฉันแก่ป่านนี้นละ้ ท่านไม่เอาเลยนะถ้ารีบกลับเข้ากุฏินะมานั่งดูของท่านรู้ทันจิตรู้ทันใจลึกๆให้มันยังรักตัวเองอยู่ลึกลงไปดูลงไปวันนั้นนะ่ะท่านปรินิพานวันนั้นนะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพานในวันนั้นเลยนะงั้นเราอย่าไปท้อทแท้กลัวว่าเราจะไปเห็นจิเลศเลยเลี่ยงๆไม่ดูงนะั้นรู้สึกไปเรื่อยนะรู้สึกไปใจเราจะทรงอยู่อย่างนี้ได้นานไหมหรื อ, อยังมองๆได้เสื่อมๆไอ้มองนะ่ะมองแน่นอนอนะ แต่ความเป็นตัวตนผุดขึ้นมาไหมรู้สึกไหมว่าจิตเป็นเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเวลาที่เรารู้สึกตัวจิตทรงอยู่ตรงนี้ที่ไม่มีเราเกิดขึ้นนะเพราะจิตมันเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยนะแต่พอนานไปเกิดมีความเป็นเราผุดขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ว่าไม่ใช่นะดูอย่างนี้นะดูไปไม่ต้องไปให้ใครพยากรหรอกใครพยากรณ์ก็เชื่อไม่ได้จําไว้นะต้องให้ธรรมะพยากรณเราเท่านั้นแหละ พราะธรรมะคือพระศาสดาของเราพยากรตัวเองได้นะวินยูชนรู้ด้วยตัวเองแต่ไม่ใช่รู้มั่วๆเอาต้องรู้ด้วยหลักของพระพุทธเจ้าไปดูไว้นะวันหนึ่งใจใจลึกๆแอบมีเราขึ้นมาไหมในจิตใจนี้ไปดูอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะต่อไปจะมีเยอะแยะนะวันนี้สมมุติว่าวันนี้ใช่แล้วก็ดีไปวันนี้ไม่ใช่ก็อย่าเสียใจดูไปวันหนึ่งก็ใช่ ไม่ยากหรอกง่ายจริงๆนะไม่เห็นอะไรง่ายอย่างนี้เลยคุณตรงรู้สึกไหมพอใจมันหลุดที่มาก็รู้สึกง่ายๆก็ง่ายอ่ะเป็นมุดๆอยู่ก็ยากสินะเอารัดก็อย่างที่หลวงพ่อบอกค่ะพอได้ยินเมื่อเช้าจ่อยไปเลยเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อจับพลังงานแห่งความจ่อยได้เต็มสาราเลยเพราะอะไรพระเป็นนักบวชใช่ไหม เรารู้สึกไม่ใช่คู่ชกของเราแต่พอคารวาด้วยกันนะเฮ้ยทาไมมันได้เราไม่ได้สักทีมันจะเริ่มใจนะอย่าจ่อยให้อนุโมทนาแล้วอย่าอิจฉากันนะถ้าอิจฉากันนะมันจะขวางกั้นการปฏิบัติของเราเองเพราะฉะนั้นใครเข้าภาวนาดีนะอนุโมทนาไว้ขอแล้วก็ขอให้เราดีอย่างเขาบ้างหรือดีอกว่าเขาอีกนะ <S <S แต่อย่าขอรู้ทําตามครูบาอาจารย์นะให้ขอตามพระพุทธเจ้าไป ก็ครูบาอาจารย์นะเรารู้ได้ไงว่าท่านใช่หรือไม่ใช่เชื่อได้ยังไงงั้นเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้เอาพระธรรมเป็นหลักไว้เวลาหลวงพ่ออธิษฐานนะมึไปทําบุญกับครูบาอาจารย์ไม่เคยขอเลยขอให้รู้ทำตามหลวงปู่ดูลอย่างเงี้ยไม่ขอขอตามพระพุทธเจ้าเรารู้ได้ไงว่าหลวงปู่ดูลเป็นพระอรหรันเราโมีเออต่างหากท่านจะเป็นหรือท่านจะไม่เป็นใครจะไปรู้อ่ะ เราต้องตามพระพุทธเจ้านะตั้งหลักให้ดีเดี๋ย ว, วขอตามท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์ปราชิกไปแล้วจะตามไปเลยเนี่ยมีนะพวกขอตามอาจารย์นะวันดีคืนดีอาจารย์ปราชิกไปแล้วไปถึงไหนรัฐว่าไปส่งกันบ้านยังยังว่าไปว่างไวก็ช่วงนี้ก็เหมือนกับรัฐที่รัฐเห็นนะคะรัฐจะเห็นว่าถ้าเกิดรัฐหมอผีหาอย่างนั้นไม่เจอหรอก อย่างนั้นถล่มลงไปนอนดูแล้วใจหลงไปแล้วแล้วตื่นขึ้นมานะเมื่อกี้รู้ไหมใจถล่มเข้าไปไอ้อย่างนั้นไม่เอานะอา้ารัตที่รัตเห็นว่ามันเกิดับไปนั่นนะคะก็คือให้เรัตมองอย่างนั้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าค ะ, <ด>ะไปเรื่อยๆล้วถล่มไปหรือเปล่าคะฮะรัตถล่มเกินไปหรือเปล่าคะนนเพราะเมื่อกี้รัตเหมือนแบบแต่ถ้าถล่มไปนะใจมันจะเป็นนิ่งๆซึมๆทื่อๆอยู่อย่างนั้นถล่มไปดูหรือไม่ก็เออๆไปเลยไม่รู้อะไรเลย เหมือนกับว่าพอเห็นคือบางทีเห็นแล้วเหมือนกับมันต้องเห็นอีกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอยเอะละ้ว <c oughs> คือเหมือนกับเวลาเราเราดูใช่ไหมคะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นว่าเมื่อกี้มันดับไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นนะถูกต้องแล้วนะมันเป็นการตามรู้ไม่ใช่การรู้ลงปัจจุบันการดูจิตมันเป็นการตามรู้แต่รู้กายนี่รู้ปัจจุบันนะเพราะกายมันไม่ได้มีหน้านที่รู้ กายเป็นของถูกรู้จิตไปรู้มันได้ไม่ได้ส่งกันบ้านนานแล้วค่ะมไม่ทราบว่าดีขึ้นไหมคะโอโหหลวงพ่อจข้อมูลเดิมไม่ได้นะไม่ได้จดบันทึกไว้คือปัจจุบันมีความรู้สึกว่าทุกน้อยลงเออทุกน้อยลงก็ดีแต่ว่าใจเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ตื่นเต้นนะคะอ่าถูกต้องล้ใช้ได้ถ้างั้นใช้ได้ดีใจละดูสิบอกใช้ได้ทีเดียวดีใจเลยคนนี้เก่งกว่าอีก พยายามส่งต่อไม่เอาเพื่อนเกง่งกว่าอีกคนที่สองอีกชี้ต่อไปเลยไม่หยิบใหม่มันการกครับเพ่เอาตัวรอดไปได้สองคนแล้วเอาว่าไปก็ปกติก็จะมีอยู่สองช่วงครับคือไม่ทํากันบ้านเลยกับทํากันบ้านมากไปครับทํากันบ้านมากไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าเพราะว่าตั้งใจเกินครับ ระหว่างไม่ทำเลยกับทำมากไปนะทำมากไปดีกว่านะมันมีเกรดนะทำมากไปแล้วพอมันหย่อนลงมาเนี่ยมันพอ ด, ดีถ้าไม่ทำเลยไม่ดีนะอันตรายอย่าประมาทนะคนหนุ่มหนุ่มตายไปก่อนหลวงพ่อเยอะแล้วนะเราไม่รู้หรอกวันไหนจะเป็นยังไงในความความทุกข์อ่ะมันจะผ่านเข้ามาสู่ชีวิตเราเมื่อไรเราไม่รู้ล่วงหน้าเราต้องฝึกฝนตัวเราให้พร้อมนะ ให้พร้อมที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามด้วยการมีสติตนะมีบางช่วงจะมีอาการขนลุกนะครับมีสองลักษณะที่สังเกตคือขนลุกเพราะคิดธรรมะกับขนลุกเพราะมีสติไปจับทันพอดีครับ อ, อนะอย่างนั้นแหละถ้าขนลุกเพราะคิดธรรมะเนี่ยขนลุกลุกเพราะสมถะขนลุกเพราะมีสติไปรู้ทันเนี่ยมันเป็นปิติ ปิติในธรรมะเกิดจากการเจริญปัญญาถ้าเกิดจากการคิดธรรมะก็เป็นปิติในการทำสมถะนะปิติมีทั้งในสมถะมีทั้งในวิปัสสนาปิติในวิปัสสนาน h i s แหละดีจิตมันจะมีปิ ต, ติบางทีก็มีความสุขเฉยแผ่วๆขึ้นมาเวลารู้สึกตัวเคยเป็นไหมมีความสุขแผ่วๆเบาๆสบายขึ้นมานิดหน่อยครับแต่นเราฝึกไปนะดีล้มาอย่างนี้ฉลาด ที่สามารถแยกได้ว่าคนลุกเพราะอะไรคนลุกได้สองแบบคมจริงมีมากกว่า น, ะนั้นอีกกลัวผีก็คนลุกนะปวดอือก็คนลุกนะอ่านี่ยังจำแนกคนลุกเพราะการปฏิบัติได้สองอย่างเก่งเก่งดีละแป๊บหนึ่งหลงแล้วหลงละรู้สึกไหมไปบังคับตัวเองทื่อๆไม่บังคับนะปล่อยมันสบายๆตามรู้เล่นๆเ น, นี่ยอย่างนี้แกล้งปล่อย อันนี้แกล้งปล่อยแกล้งทําใจซื้อบือ้อรู้สึกไหมแกล้งอย่างเงี้ยแกล้งทํานะมีแกล้งไม่ปรุงแต่งให้รู้ไปอย่าไปแกล้งทําอาเบอร์สิบห้าตื่นเต้นครับอา่ารย์ไม่ได้มากราบอาจารย์ได้ตั้งแต่มกราปิที่แล้วครก็ออนานอยู่ก็วันนี้จะถามอาจารย์เรื่องการนั่งสมาธิครับคือถ้าคือนั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยลมหายใจก็จะหายอืมอ่า กลมที่ทองก็จะไม่มีก็คือหายหมดปกติหายหมดแล้วก็ก็ก็ไม่ได้ภาวนาเพราะว่าไม่รู้จะบริกรรมหรือว่าภาวนายัางไงไม่ไม่ต้องทำอะไรก็ก็เสร็จแล้วมันก็เคริร์มเคมิมก็ก็บางทีก็หลับไปเลยเก็เป็นอย่างนี้มาหหเดือนเพื่อครึ่งปีแล้วนะนา น, น ย, นยแต่ก็ไม่ได้นะไม่ไ ด, ไได้ก็ไม่รู้จะทำไงก็คือ มันเป็นธรรมชาติก็คือให้มันเป็นอย่างนั้นไปจุดสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นจุดสำคัญอยู่ตรงที่ตอนที่จิตเราถอยออกจากสมาธิให้เรามีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยนะรตรงนั้นเป็นนาทีทองของการปฏิบัติตรงที่เราภาวนาจนจิตรวมสงบลงไปเนี่ยได้สมถะละตอนที่จิตถอยขึ้นมาเรามีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนี่เป็นการเดินปัญญาละนะแต่ตอนตอนนั่งเนี่ยไม่ ไม่ได้ทําสมถานะอาจารย์ก็คือว่ารูตามธรรมชาตินั่นแหละนั่นแหละเป็นแต่ว่ามันมันจะรวมลงมาเองแต่ว่าเสร็จแล้วมันก็ถอยออกมาขึ้นมาแล้วก็บางทีก็จะลงใหม่ใเออถ้ามันขึ้นมาเราก็รู้ทันมันรวมลงไปเราก็รู้ทันให้เรารู้ทันจิตไปครับบางทีมันก็มีแบบมันเหมือนกับว่ามันมีความคิดแต่มันรู้สึกว่าความคิดนั้นมันไม่ใช่เราออมันคิดอยู่ห่างๆลอยๆมันมันจะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะออไม่ใช่ร แล้วความสุขความทุกอะไรก็ไม่ใช่เราอะไรอะไรก็ไม่ใช่เรานะพูดไม่ถูกมันพูดไม่ถูกอ่ะมันแบบอไม่ต้องพูดอ่ะถูกแล้วละเป็นอย่างนั้นแหละบางทีตอนเดินก็เป็นนะแต่ตอนนั่งจะมากกว่าตอนเดินนี่ดีก็คือมันก็อยากอยากจะนั่งเอาไหมสิเวลาเดินอยู่นี่นะคอยรู้สึกร่างกายที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่เราดูอย่างนี้เหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิเราเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราตอนเดินอยู่นี่เราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา พอมโมโหขึ้นมาเราก็ดูความโกรธไม่ใช่เราอ๋ออันนี้เห็นทุกวันนะครับเอ้อฝึกอย่างนั้นแหละ<อ>ดีเรื่องกิเลสเยอะครดีดีก็อย่างดีความโกรธเนี่ยที่มันเดือดอยังไงน้ําเดือดเห็นไม่มันเดือดมันไม่ใช่เราเดือดอย่างอย่างถ้าถ้าราคานี่ก็แบบเห็นแล้วพอใจผู้หญิงสวยเออนะ ด, ดีดีกว่าพอใจผู้ชายดีแล้ว <laughs> มันชอบไม่รู้มันชอบอะไรไม่ห้ามไงดูไปดูไปเรื่อยๆให้เห็นราคาก็อยู่ส่วนราคานะจิตก็อยู่ส่วนจิตแยกกันแต่มันชอบมันจะแบบเสียวๆไงให้รู้ไปนะทุกอย่างไม่ใช่เราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญาแต่แต่ตอนนั่งนี่คือก็คือทำไปอย่างนั้นะครับนั่งเปเพราะว่ามันผมก็ไม่รู้ทำไงมันก็่เป็นไรนั่งพักผ่อนไป นั่งแล้วก็ต่อไปพอสติเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่แล้วจิตใจมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมันรู้เองอะ่ะตอนนี้ก็นั่งไปแต่ว่าที่สําคัญคือตอนที่ไม่ได้นั่งอ่ะตอนที่อยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยให้รู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆคือเราช่วงหลังเนี่ยงานหนักมากแล้วก็ไม่มีเวลานั่งไม่มีเวลาเดินแต่เวลานาทีท้องก็คือที่ไม่ได้ทำงานช่วงที่ตื่นแล้วก็แบบ นั่งรถเมล์หรือว่ารอรถหรือว่าเดินนั่งรถเมล์เราก็ดูของเราไปหรือว่าเดินเนี่ยอันนี้เวลานาทีทองที่ใช่ที่แบบที่ทําได้ทําจริงไม่งั้นก็ไม่ได้ทำเวลายืนอ ย, อย่าทิ้งไปช่วงเวลาพวกนี้นะสําคัญดูไปเลยสําคัญเพราะเราแทบไม่มีเวลาใช่ครับไม่มีเวลาเลยหลวงพ่อตอนที่ภาวนาก็งานหนักนะทํางานเป็นคารวาะตอนที่หัดภาวนาดังั้นมีนาทีสองนาทีเอาของนั้นแหละไม่ทิ้งหรอกดู ดูลูกเดียวเข้าห้องน้ําหรือว่าเดินเออเข้าห้องน้ําก็ดูเดินกลับบ้านวัวหมุนก็ดูก็จังวัวมันหมุนก็รู้มันเหนื่อ ย, ยเออดูดูล <c oughs> ่างกายมันเดินไหมก็เหนื่อยก็เหนื่อยไปช่างมัน <c oughs> ดูมันดูกายมั น, ดมนเดินไปดูจิตใจมันท้อแท้มันเป็นอะไรรู้มันลูกเดียวเลยครับเห็นกายเห็นใจมันทํางานไปเรื่อยๆร่างกายมันที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเดินจิตใจที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ร้ายไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้ก็ไปได้อเบอร์ร้อยเ ครับนมรดการหลวงพ่อครับขณะนี้ก็จิตมีกําลังมากขึ้นครับแต่ตอนก่อนที่จะมาถึงวัดนี้รู้สึกมาจะซึมนะครับมีโมะแทรกแล้วก็พยายามแทรกแซงโดยการบังคับโดยการเคลื่อนไหวกายแล้วก็บางครั้งแบบตั้งใจให้แบบมีสติอะไรเงี้ยมันก็ฟื้นได้เป็นช่วงๆครับก็พอทําได้อยู่นะครับก็เหมือนคล้ายๆเข้าไปแก้ไขมันดัดแปลงมันหน่อยช่วยช่วยมันหน่อยแต่มันซึมมาก แต่ไม่ได้ช่วยตลอดเวลานะช่วยเมื่อจําเป็นเหมือนเราจะให้ลูกเราหัดเดินเนี้ยจิตมันเหมือนเด็กอ่ะส่วนเราจะหัดให้ลูกเราเดินเนี่ยแล้วเรากลัวมันล้มเราประคองมันตลอดเวลาช่วยมันตลอดเวลามันคงเดินไม่ได้อ่ะต้องปล่อยเป็นเดินมั่งจนมันจะล้มจริงๆเราค่อยจับอย่างมันมัวจนไม่รู้เรื่องรู้เรานะค่อยแก้ไขค่อยช่วยเหลือมันถ้ามันมัวนิดๆหน่อยๆตามรู้ตามดูมันไปอ๋อข้าบ หลวพ่อครับที่ก่อนจะมานิสุกิจมันไม่มีกําลังมันรู้สึกแบบบอกมันเหมือนกับแบบไปสัมผัสอะไรมันก็ไม่ชัดมันไม่แข็งแรงไม่ทราบรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแค่นั้นพอจช่รับแค่นั้นพอละนะมาที่นี่พลังมันเยอะพลังงานมันเยอะดังตรีนบอกว่าไปสอนที่อื่นนั้นหมดแรงนะมาสอนที่วัดหลวงพ่อในห้องนี้โอ้ยแรงเยอะงั้นวันไหนหมดเลือกหมดแรงก็มาวัดมาไม่ต้องทำอะไรมันนั่งอยู่แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวก็มีแรง นะครับอย่างนี้ก่อคำชี้แนะอย่างอื่นเพิ่มเติมรู้สึกไปเลยนะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่แทรกแซงมันไม่ต้องไปช่วยมันแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆถึงจะช่วยมันนะป้าขอความคิดป้าละ่ะดาวอิดายัยวันนี้อิดฉายไหมวันนี้ไม่ค่อยมีครับแล้ววันนี้ ภาษาแย่งไปหมดระษาแย่งไปหมดถ่ายทอดได้ครับไปหมดแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> แต่จะมีเห็นตัวว่าคนออกมาเป็นระยะระยะครับหลวงพ่อวันนี้รู้สึกช่วงนี้จิตเขาจะติดสมถะ เ, ออเขาอยากเฉยๆเขาอยากนิ่งๆออไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อยากอยู่นิ่งๆแล้วก็อยากนอนออจิตไม่ได้ติดสมถแะแต่ติดอะไรหลวงพ่อไม่บอกนะครับออมนรู้สึกว่ามันเหมือนจะ กระปี้กระเป๋าก็ไม่ใช่จะกระชุนกระชวยก็ไม่ใช่อนั่นดีจะ<า>ขี้เกียจ<ง>ฟังให้ดีห้ามขี้เกียจนะปฏิบัติอย่างที่ทําอยู่นี้ไปสม่ําเสมอไปอย่างนี้เหรอฮะผมว่ารู้สึกมันไม่ค่อยก้าวหน้าอย่างไงครับไม่ก้าวไปไหนฮ ะ, ฮะอย่าสงสัยมากอ<ะ>ันเนี้ยใช้ศรัทธานิดหนึง่งอย่าสงสัยทําไปอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อครับ เวลาบางครั้งเข้าใกล้คนแล้วมันมีโมหะเข้ามากระทบอย่างเงี้ยผมมีอาการที่แบบว่าวิงเวียนแล้วบางครั้งเนี่ยอาการโมหะที่เขาเข้ามากระทบตรงนี้เนี่ยตอนนั้นมันมีความรู้สึกอยากจะอ้วกด้วยใช่หรือเปล่าครับใช่ถ้าไอ้คนนั้นสกปรกมากนะอยากอ้วกเลยใช่เพราะว่าพออยู่กับเขาตอนแรกคิดว่าตัวเองไม่สบายปวดหัวแต่พอเดินออกจากเข้าได้สักพักเนี่ยแล้วเนี่ยบางคนเข้าใกล้เราจะอ้วก หลวงพ่อเมื่อก่อนเป็นมากนะตอนที่หันหัดอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะถ้าไปตามศูนย์การค้าที่พวกวัยรุ่นเยอะเนี่ยอยากจะอ้วกเห็นหน้าวัยรุ่นแล้วจะอ้วกให้ได้เลยแล้วมันเหมือนเออไปเลยนะครับหลวงพ่อเหมือนคนแบบเดินไม่ใจเราทนไม่ได้ใจเราไม่ยอมรับมันอ๋อผมคิดว่าแต่ต่อไปนานๆไปก็ไม่เป็นอะไรพอจิตเราแก่กล้ากว่านั้นไม่เป็นอะไรอ๋อครับแล้ว ผมต้องฝึกสมถะเพิ่มไหมฮะก็ทําเหมือนที่ทําอยู่ช่วงนี้ทําไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยนะครับ <ทำ S 1> มันเหมือนไม่หยุดเลยอ่ะฮะเออมันไม่หยุดหรอกมันจะตะลุมบอลอยู่ให้รู้<า>รื่องบั้งมันเหมือนอยากจะนอนมันยังไม่นอนเออแน่ดูไปยังต้องตื่นขึ้นมาเพื่อจะดูเขาอีกเออแน่นทาไปอย่างนั้นนะไม่ท้อถอยนะครับตอนนี้ยถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแล้วครับจะเป็นจะตายก็ขอให้อยู่กับการปฏิบัตินี้แหละ รู้สึกบางครั้งมันเหมือนจะยอมตายให้กับนั่นแหละพระธรรมได้รนะพระพุทธพระธรรมได้เอนะต้องยอมถวายชีวิตเลยตามรู้ตามดูไปท่านไม่เอาชีวิตเราหรอกไม่รู้จะเอาไปทําไมเราช่วงนี้ผิดไหมครับหลวงพ่อที่คิดถึงหลวงพ่อกับครูบาอาจารย์อื่นๆบ่อยมากเลยไม่ผิดหรอกถูกแล้วได้สมถะนะอ๋อครับอย่างช่วงไหนเราหมดเรี่ยวหมดแรงจริงๆนึกถึงหลวงพ่อนะ นึกถึงหลวงพ่อด้วยใจที่สบายๆแล้วก็จะมีพลังวิ่งเข้าไปใส่เราเองนะบางครั้ง น, นึกอยากให้หลวงพ่อเนี่ยเอาไม้ตีกระบาลสักทีหนึ่งบางทีมันหลงเราเองบางที <c oughs> <c oughs> จะได้รู้สึกว่าตื่นเ <c oughs> ต้นบ้างไม่ต้องขนาดนั้นนะครับผม <c oughs> เรามีสติและวกับสวัสดีครับครั้งที่แล้วที่ทมาพบพระอาจารย์ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์บอกว่ามันยังกระจายกระจายแล้วยังไม่ค่อยตั้งมั่นบนฐาน ก็ยังตามรู้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมตามรู้ไปเรื่อยๆนะรู้สึกไหมเรารู้ตัวชัดขึ้นทราบครับนั่นแหละเมื่อก่อนมันฟุ้งซ่านแบบดูไม่ชัดหรครับตอนนี้มันชัดขึ้นแล้วชัดพอดีพอดีครับแล้วไม่ชัดมากกว่านี้นะชัดมากกว่านี้จ้องแรงไปอืครับกำลังพอดีล้วครับพ่อถลําไปพ่อนะเบอร์ร้อยเก้าหลงไปนะเบอร์สิบห้าใจลอยไปแล้วนี่หลงไปแล้วซึมไปเลยนะหมอพี่รู้สึกไว้การบันทึอการถึงพ่อค่ะ พอดีเพิ่งจะมาฟังธรรมที่นี่แล้วก็กําลังฟังซีดีหลวงพ่ออยูออ่มาถึงช่วงที่รู้สึกว่าจับหลักอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนโอ้นะดีมากเลยอยากจะมากราบขอคําแนะนำจากหลวงพ่อไม่ไปไหนที่ส้นเลย <c oughs> นะอยู่กับปัจจุบันจิตใจเรามีความสุขขึ้นมาเราก็รู้จิตใจเราเป็นทุกข์เราก็รู้จิตใจเราเฉยเฉยเราก็รู้เราไม่ไปไหนเราจะรู้อยู่กับปัจจุบันแค่นี้แหละฝึกอยู่ตรงนี้แหละ แล้วจะต้อง uh, ทําอะไรอีกไหมคไม่ทำจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยฝึกอยู่กับปัจจุบันฝึกอยู่กับปัจจุบันหมายถึงว่าจิตใจเราในขณะนี้เป็นยังไงนะเรารู้เล่นเล่นรู้ไปเรื่อยๆ ร, รู้เล่นเล่นไม่แทรกแซงนะของคุณฝึกได้ดีอยู่เพราะเป็นคนปกติที่เวลาทํางานเวลาคุยกับใครเนี่ย เข้าไปอินกันอะไนั้นเลยเราจะหายเสมอไป็นคนี่รู้สึกตัวเองหายเสมอเดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมรู้ว่าอินเข้าไปพอเราอินแล้วเราหายไปแต่เดิมเราอินแล้วเ่อเรามันไปเลยนะเราไม่รู้ว่าเราหายไปหรอกใช้ได้ละดีกลับนาะมสการหลวงพ่อคะ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองเหมือนติดเพ่งคะ่ะอเวลาเดินเนี่ยเหมือนใจลอยไปเสร็จแล้วก็จะมาอยู่กับเท้าตอนขณะเดินเอถ้าเวลานั่งเนี่ย ทงว่าตัวเองใจลอยไปพักหนึ่งก็กลับมาดูว่าตัวเองกํลาลังนั่งค่ะดีแล้วดูไปงั้นรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะดีเห็นกิเลสบ่อยแล้วใช่ไหมค่ะดีแล้วยิ่งเห็นกิเลสบ่อยยิ่งดีกิเลสนะ่เป็นศัตรูของความสงบสุขหรเรารู้ทันนะมันจะค่อยๆสลายไปดีแล้วแล้วใจช่วงนี้สว่างขึ้นมากไหมคะมา ก, มากใจสว่างที่ปิดไฟได้เลย ใจเข้าสว่างแล้วขอบพระคุณค่ะอะปิดไฟได้จริงจริงจิตเข้าสว่างแล้วนี่ครั บ, บกาลนัสกาหลวงพ่อครับโดยลักษณะนิสัยผมแล้วเนี่ยเป็นคนดือ้อไมราวาจะต้องดูตรงไหนครับดือ้อดื้อไป ปอให้ดื้อไปให้มันดื้อแล้วเราตามรู้ให้มันดื้อถึงที่สุดไปเลยไม่ไม่ตามดูมันไม่ใช่ปล่อยมันสเปสสป่านะค่อยตามดูใจของเราไปเรื่อยใจเรามันดื้อขึ้นมาก็รู้ทันพอดื้อเสร็จก็ให้รู้ว่าเราดื้อแล้วอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ในลักษณะของการดูจิตเนี่ยฮะเพราะไอ้เรื่องเวทนาเนี่ยพอเวทนาเกิดเกิดอาการปวดเมื่อยหรืออะไรพวกเนี้ยเราใช้จิตไปดูเวทนาหรือว่าเราดูเวทนาให้เป็นจิตไม่เราดูอย่างนี้สมมติว่าเรานั่งอยู่แล้วมันปวดมันเมื่อยนะครับ ใจเรากระวนกระวายอยากกระดุกกระดิกขึ้นมาเรารู้ว่าใจกระวนกระวายครับเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าดูจิตรู้รู้ว่าใจกระวนกระวายให้รู้ทันใจตัวเองดูแค่นี้ใช่ไหมไม่ต้องดูว่าเฮ้ยเมื่อยแล้วเนาะให้ทําไงดีว่าขยับหรืออะไรพวกนี้ต้องขยับไหมครับไม่ขยับก็ได้ไม่ขยับก็ได้ขอให้รู้จิตเราก็แล้วกันยสมมติมันเมื่อยขึ้นมาเนี่ยใจเราอยากขยับรู้ว่าอยากขยับก่อนแล้วต้องขยับไหมแล้วก็ขยับไปแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าอยากขยับแล้วขอค่อยขยับไมใช่ใชแต่บางสาย บางสายเช่นสายพองหน่อยุบหน่อของบางวัดนะฮะที่เขาบอกว่านั่งจนกระทั่งมันปวดเมื่อยจนเมื่อยหายอะไรพวกนั้นไม่ทราบว่าไอ้นั้นเป็นการไม่ใช่ดูจิตอ้นั้นดูเวทนาอันนั้นดูเวทนาโดยตรงเลยใช่ไอมคนละอันคนละหมวดกันจนจนเข้าหายไปใช่ใช่ไหมถ้าเราดูจิตเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตดูเวทนานะเราตามดูความเปลี่ยนแปลงของเวทนาแล้วอยากขยับตรงนี้ก็คือแล้วแต่จลิตของแต่ละบุคคลใั่ใช่โอ้ฉลาดถูกต้อง พรบางคนทนไม่ไหวใช่ไมรู้เวทนาเนี่ยฮะใช่แล้วอย่างอย่างนี้ถ้าหากว่ายัางเวทนาเนี่ยฮะอย่างเช่นถ้าเรานั่งเนี่ยมดมันกัดเราอย่าเงี้ยเราก็ต้องดูมันใช่ไหมถ้าเราหลับตาเราก็ไม่เห็นมดเรารู้สึกเจ็บอย่างเดียวอรู้สึกเจ็บไปก็ปล่อยให้มันกัดไปจนหายเจ็บเอถ้าจะดูเวทนานะก็ทนทนไปคนแ ต, <อ>แต่ถ้าดูจิตนะมดมันกัดแล้วโมโหโมดรู้ว่าโมโหนะลำคาญรู้ว่าลำคาญเนี่ย แล้วก็ปัดมันออกเบาๆเกาได้พอเก่าแล้วหายคันนะแหม я, มีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขอ๋อแค่แค่รู้ตรงนั้นใช่ไหมฮะอ่าแล้วถามอีกข้อนะเรื่องเกี่ยวกับความเพียรนะฮะอ่า อ, อ, อย่างไรเรียกว่าเพียรเพียรแล้วหรือว่ายังเพียรไม่พอถ้ามีสติอยู่ก็มีความเพียรเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อไรขาดสติก็ขาดความเพียรแต่แต่คนเราทุกคนยไม่ได้มีสติตลอดเนี่ยไม่มีแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยจะมีแค่เป็นครั้งคราวครั้งคราวก็แทบไม่มีเลย อย่าเช่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยรู้ว่าคุยกับหลวงพ่อเนี่ยเรียกว่ามีสติแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอออย่างนี้เป็นสติอย่างโลกโลกคุยกับหลวงพ่อรู้ว่าคุยกับหลวงพ่อรู้เรื่องที่คุยนี่นี่สติอย่างโลกโลกเอาอย่างนั้นที่ถ้าคุยกับหลวงพ่อแล้วใจไหลไปแวบรู้ทันว่าใจไหลไปอย่างนี้ถึงจะใช้ได้อย่างนั้นงั้นที่ผู้มาปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยที่เอาเรื่องสภาวะในอดีตมาถามเนี่ยใช่ไหมก็คือมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็ชิปนั่นก็ไม่มีสติ ในขณะที่คิดถึงสภาวะในอดีตขณะนั้นไม่มีสติไม่มีสติกันทุกคนเลยเออในโลกไม่ค่อยมีสติหรอกมีแต่คนบ้าขาดสติแต่ในขณะที่ถามเนี่ยถ้าหากว่าจิตคิดไปทางด้านอื่นอันนี้เขาเรียกมีสติใช่ไหมครับถ้ารู้ทันว่าจิตคิดไปมีสติแต่เป็นแค่ครั้งค่าวแวบบเดียวแว บ, บเดีย ว, บบยวสติเกิดทีละแวบบเราไม่สามารถที่จะมีสติได้ต่อเนื่องยาวใช่ไหมไม่สามารถโสดาบันก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องภ า, าหานอย่างเดียวปะครับเออแล้ว แล้วอย่างนี้เราจะปฏิบัติหรือทําทํำยังไงอะครับมีสติบ่อยๆก็มามีไม่ได้มีไม่ได้ไงแต่ก็มีบ่อยๆหน่อยมีบ่อยๆฮะเท่าๆที่ไม่ใช่มีตลอดเวลาเท่าที่เราสามารถทําได้เอาการปฏิบัติเนี่ฮะจาเป็นไหมฮะต้องเดินจงกรมถ้าเรียังเดินเป็นก็ต้องเดินจงกรมไปว่าก้าวไปทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะ เก้าเดินไปเดินชอปปิ้งด้วยความรู้สึกตัวก็วเรียกว่าเดินจงกลมไม่ไม่จำเป็นต้องเข้าที่เข้าทางใช่ไหมฮะไม่จําเป็นเอาวัานนี้เอาเข้ามาเข้าที่แล้วก็เดินไป1ไิเก้าเดินกลับเดินไปไม่จําเป็นอ่ะทำไมต้องเดินอย่างนั้นทําไมพระต้องเดินกลับไปกลับมาถ้าพระเดินไม่กลับไปกลับมาพระจะเดินออกไปนอกวัดเข้าใจไหมเขาถึงต้องให้เดินกลับไปกลับมาไม่จําเป็นใช่ไห ม, แ, ไ ม, ไหมแต่ก็แต่ก็ต้องทนแต่ก็ต้องทำป่ะฮะ คือทุกก้าวที่เดินนะรู้สึกตัวไว้ตลอดเวลาที่นั่งพยายามรู้สึกตัวไว้ั้งเมื่อไร่รู้สึกตัวอยู่มีสติอยู่ก็มีการปฏิบัติมีความเพียรอยู่เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรให้คนอื่นบ้างเดี๋ยวไม่ทันกราบหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อข้านูยังติดซึมอยู่หรือเปล่าคะนิดเดียวนะนิดเดียวติดสว่างขึ้นมาเยอะแล้วรู้สึกไหมมีซึมนิดๆเอามีความสดใสแทรกขึ้นมาด้วย มองดอกไม้หลังหลวงพ่อค่ะ้วสดใสเลยใช่ไหมเนี่ยมองดอกไม้รู้ว่าดอกไม้แบบมองดอกไม้รู้ว่าดอกไม้ไม่ใช่สตินะรู้ว่าชอบค่ะรู้ว่าชอบเรียกว่ามีสติอ่าแล้วหนูจะต้องมีอะไรเพิ่มไหมคะอย่างสมัครธรรไม่เพิ่มมีแต่ลดลงนะพยายามรู้สึกไปเรื่อยลดลงเหรอคะลดหมายถึงลดกิเลสลดความจงใจปฏิบัติรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏ รู้บ่อยๆนุ่นเหมือนว่าใจมันเหมือนคล้ายๆกับลมเลยค่ะมั น, ม น, มนมแผ่วๆไปเรื่อยๆเหมือนไม่รู้สึกตัวอะไรน ะ, ะนั่นแหละนั่นแหละรู้สึกอยู่ละ เ, เห็นไหมมันเหมือนลมที่พัดไปพัดมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่คงที่ใช้ได้ขอบพระคุณค่ะซึมตั้งแต่เช้าแล้วค่ะช่วงสายนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงค่ะหลวงพ่อครับเมื่อวานเราเห็นว่าเรายังรักตัวเองมากมายเลยค่ะ รักมากเออดีที่เห็นถูกต้องแล้วหนะตรงพ่อครับมาบ่อยแต่ไม่ค่อย <c oughs> ได้ส่งกันบ้านนะคะไม่ได้ไม่ทราบว่าตอนนี้ถ้าจะส่งอะไร <c oughs> ก็ส่งมา <c oughs> ได้โบกาสแล้วพูดพูดไม่ค่อยเป็นนะคะโพูดไม่เป็นไรไม่จําเป็นแ ต, แแต่แต่ว่าก็จะเห็นแผ่วๆเหมือนเหมือนของพี่พึ่งแต่ว่า บางทีที่เราเห็นเนี่ยมันมันเหมือนไม่ใช่อะไรประมาณนี้ค่ะไม่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าจิตเหมือนขนาดนี้ัหมจิตขนาดนี้เป็นยังไงตอนนี้ดูไม่ออกค่ะตื่นเต้นเออตื่นเต้นแล้วไปกดมันไว้หน่อยๆน่อยอ๋นะอกดใช่ไหมคะออไปกดนั่แต่ว่ากดเบา ๆ, ๆกดไว้แบบเบาๆให้มันเออเออาเงี้ยอ๋อตอนนี้เออใช่หมเออี่ยเนี่ยแกล้งเออหน่อยหน่อยงั้นจะทาให้หายกลัวได้มันทำขึ้นมา มันทำขึ้นมาใช่ไหมคะให้รู้ทันค่ะปกติเป็นงี้ไหมไม่ไม่ค่ะเออไม่เป็นอันนี้มันกลัวมันกลัวเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ส่งอค่ะอที่ฝึกอยู่ใช้ได้ละดูไปได้เพราะว่าเพราะว่าเมื่อคืนฝันเห็นหลวงพ่อก็เลยวันนี้ก็เลยส่งซะหน่อยอ่ะฝันว่าได้ส่งการบ้านหลวงพ่อค่ะวันนี้ไม่ส่งก็ไม่ได้ครน้อย ปกติก็จะไม่ค่อยกล้ายกมือ อ, อ, อย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวหลวงพ่อคุณที่ใส่เสื้อคอเขียวอะใจมันถล่มไปแล้วนรรษการครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับ ต, ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับเป็นบ้างครับเต้นเต้นก็เท่าเท่าที่ได้ลองทําดูนะครับก็บางครั้งก็รู้สึกว่าใจสบายบางครั้งก็รู้สึกว่า มันอึดอัดนะครับอึดอัดเนี่ยเพราะเราจงใจทําถ้าเรารู้เล่นๆ น, นะรู้รู้โดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยใจจะเบาสบายขึ้นมาแต่ถ้าเราจงใจไปเพ่งไปจ้องไปควบคุมไปบังคับมันจะแน่นๆขึ้นมา น, นี่เรายัางห้ามไม่ได้เรายัางไม่ชํานาญบางทีก็รู้จริงๆบางทีก็บังคับไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เลยเบาเดี๋ยวก็เลยแน่นฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเบาเบาสบายมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะโยม ันนี้ภาวนาเก่งนะเนี่ยน้ำมสการนดียวกัหรอพ่อคือมีการบ้านจะส่งค่ะเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยตัวผู้รู้นะคะคือต้องการทำงานมากๆเหมือนกับโดนอัดนะคะก็เสร็จแล้วก็เอ๊ะก็ตอนนี้พอโดนอัดเสร็จก็รู้สึกว่าโูมันทำอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะก็ดูกายพอดูกายเสร็จก็ดูครบอาการสามสิสองนะคะจึงรู้ว่า อ๋อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมมุติอืคือมันเห็นชัดเรื่องสมมุติอะ่ะอ่อย่างงั้นใช้ได้การสามสิองะสมมุติตัวจริงทั้งมันเป็นแค่ธาตุเท่านั้นค่ะเห็นธาตุสี่ชัดเจนนะนั่นแหละเราก็รู้ไปนะธาตุทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราดูไปงั้นแล้วเริ่มมองสิ่งอื่นทุกอย่างว่ามันแค่ธาตุสี่ในโลกแค่นั้นเองค่ะอ่าดีนะดูตัวนี้เป็นธาตุดูตัวนี้เป็นธาตุทั้งหมดเลยค่ะอ่าดีแล้วเสร็จแล้วต่อวันต่อวันเนี่ยมันมีความรู้สึก ตอนนี้นั่งจ้องแต่ดูดูความนึกคิดว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรนะต้องการเข้าไปรู้ค่ะให้รู้ทันว่าอยากดูค่ะอยากดูให้รู้ทันว่าอยากดูอย่าไปอยากมันแล้วตอนนี้มันเหมือนกับช่วงที่ทําสมถะค่ะมันเหมือนทะลุกับแผงเข้าไปหลวงพ่อมันไปเห็นมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนะค่ะมันก็จะดูอยู่แค่ตรงนี้ค่ะโมดีแล้วทําอะไรต่อหลวงพ่อไม่ทํานะทําซ้ําๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะทําซ้ําๆไปเรื่อยค่ะถึงวันหนึ่งมันก็ตัดของมันเอง ไดด้้ีแลวเหมือนกับว่าเอ๊ะเราโดนหลอกมาันนา น, าน <S <S ใช่ทมานานมากใช่มารู้ตรงนี้โอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร <S 2> <S 2> เราจะไปหาเลยนะใช่ที่หลวงพ่อบอกว่ามันง่ายรู้สึกไหมค่ะมันไม่มีอะไรหรอกอย่าไปหลงปรุงแต่งหรือยิ่งปรุงแต่งยิ่งไม่เจอพอไปบอกว่ามีตอนนี้มันหนักมากค่ะเอะพอมีเหมืนอนเหมือาพอมันมีอย่างนี้อยู่เนี่ยมีความรู้ส่อใครสั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกโหรัภาระนี่หนักจังเลยไม่อยากไม่อยากมีตรงนี้ค่ะให้รู้ทันว่าไม่อยากโทสะเกิดแล้วค่ะะ จ, จริงเราภาวนาเพื่อละความเห็นผิดว่ามีตัวเราบางคนละความเห็นผิดได้ด้วยการเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกข์บางคนเห็นอนัตตามองได้หลายมุมอย่างคนที่เห็นอนิจจังก็คือเห็นว่าสภาวะทั้งหลายที Los ่มันไม่เคยมีมันก็เกิดมีขึ้นมาหรือสิ่งที่มีอยู่อยู่ช่วคราวแล้วมันก็ดับไปของเคยมีก็ไม่มีของที่ไม่เคยมีก็มีขึ้นมานี่เรียกว่าอนิจจัง อย่างร่างกายเนี่ยมันเคยหายใจออกมันก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้ามันเคยยืนมันก็มานั่งอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันของเคยมีมันก็ไม่มีของที่ไม่เคยมีมันมีขึ้นมาหรือจิตเนี่ยแต่เดิมก็เฉยๆพอไปกระทบอารมณ์แล้วความโกรธก็ผุดขึ้นมาหรือความโกรธดำรงอยู่รู้ไปเรื่อยๆเอาความโกรธหายไปแล้วความโกรธที่มีอยู่หายไปอีกแล้วเห็นแต่ว่าของมีแล้วไม่มีไม่มีแล้วมีอันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจัง พอเห็นอันนี้จังมากๆา ก, ากเาไม่มีแต่ของที่เกิดระดับไม่มีตัวเราหรอกนะละความเห็นว่ามีตัวเราไปบางคนเห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยถูกบีบคั้นถูกเสียดแทงตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกนะจิตใจนี้ก็ถูกบีบคั้นตลอดเวลากิลเลสตัณหามันผลักดันนะวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวปรุงโน้นปรุงนีนะ้มีแต่ความทุกข์ความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่นิ่งไม่ได้เลยนี่เรียกว่าเห็นทุกข์ขังเป็นเห็นทุก หรือว่าเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่เราหรอกนี่เห็นอนัตตาหรือเห็นว่าจิตใจเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเลือกไม่ได้เลยนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอย่างนี้เรารู้เลยไม่ใช่ตัวเราหรอกเราควบคุมไม่ได้นการที่เราเห็นไตรลักษณ์แม้เพียงมุมใดมุมหนึ่งนะก็ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้เป็นพระโสดาบันได้ เห็นไตรลักษณ์เพียงมุมใดมุมหนึ่งนะก็เป็นพระอรหันต์ได้เังนั้นเรารู้สึกไปเรืของโยมนะมีปัญญากล้าโยมจะเห็นอนัตตาดูไปทุกอย่างไม่ใช่เราไปหมดเลยเป็นแต่วัตถุเป็นแต่ก้อนธาตุจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันเองดูอย่างนี้เรื่อยๆนะมันนึงก็ผ่านเป็นคนหนึ่งที่จะผ่านนะอย่ามาถามทีละคนนะเดี๋ยวใจใจเสียเสเปล่า อยากจะถามเรื่องดูจิตอะค่ะหลวงพ่ออย่างบางทีจะดูได้คือต้องเห็นชัดๆว่าออมีอารมณ์โกรธหรืออย่างตอนนี้ตื่นเต้นเนีย่ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปกติบางทีมันมันเฉ ย, ย<ช>เฉยค่ะเฉยเฉยรู้ว่าเฉยเฉยไปแล้วเฉยเฉยก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเดี๋ยวก็ไม่เฉยดูอย่างนี้แต่ปกติ<ง>มันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่เดิมตอนเราหัดใหม่ๆนะเราจะเห็นแต่อารมณ์ที่รุนแรงค่ะต้องโกรธต้องตื่นเต้นต้องกลัวอะไรพวกนี้เห็นง่ายานะฝึกไปมากๆนะขัดใจเล็กๆ ก, ก, ก็เห็นแล้วสบายใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็เห็นแล้วมันจะเห็นเองแหละสติมันจะค่อยชัดเจนขึ้นนะมันจะแก่กล้าขึ้นได้ได้วแล้วเวลาที่เราเฉยๆที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันมีปะคะเราต้องพยายามดูว่ามี<ะ>ม ม, มีความอยากจะดูไงไม่เฉยแล้วล่ะ อยากจะดูค่ะอ้าต่อไปวันนี้คงได้หมดห้องหนี้ไม่พ้นสักคนหนึ่งคือก่อนนี้เคยมา <c oughs> ก่อนนี้เคยมาแล้วก็เห็นหลวงพ่อบอกว่ายังเพ่งไม่ทราบทอนนี้ยังน้อยลงแล้วยมรู้สึกไหมมันเบาลงมันคลายกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันเพ่งแรงกว่านี้ครับแต่ก็ยังมีบ้างนะเนี้ยกดเอาไว้ยังเป็นสมถะอยู่ยังเป็นสมถะมีปัสนาเนี่ย กายเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นยังไงรูว้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับจิตเราเป็นยังไงจิตก็เป็นไตรลักษ์กายก็เป็นไตรลักษ์มีแต่ของไม่เที่ยงของเปลี่ยนแปลงของบังคับไม่ได้นะดูไปด้วยอย่างตอนเนี้ยจิตหนีไปคิดรับปล่าไหมครับ <c oughs> จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดครับฝ <c oughs> <c oughs> ึกแค่นี้พอละครับเมื่อสองสาวันก่อนล่าสุดได้กลับเลยหลวงพ่อหมอพี่หลงไปละรู้สึกไหมมีโมหะแทรกด้วย มัวมัวไปกับเลยหลวงพ่อเรื่องรู้ความซึมด้วยความเป็นกลางออมีความสุขเฉยๆขึ้นมา อ, อแล้วก็หลวงพ่อก็แนะนำให้ให้ดูลงให้เรารู้สึกเวลาที่เกิดความซึมเรารู้สึกถึงความซึมให้รู้สึกลงไปว่าความซึมไม่ใช่เราแล้วก็สภาวะอื่นๆก็ไม่ใช่เราหลังจากนั้นผมก็ทําตามที่หลวงพ่อแนะนําก็ มีความรู้สึกลงไปดูสภาวะเวลาที่เกิดขึ้นล้วมีความเป็นการมีความสุขโฉมมาจากความซึมก็เห็นว่าความซึมมันก็ยังอยู่ความสุขก็ยังอยู่แต่ที่เห็นเพิ่มขึ้นก็คือว่ามันเห็นมีตัวเราคนหนึ่งนั่งดูสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ม่อมีเราครับผมเท่ากับว่าเหมือนเดิมทีเคยเห็นแค่แค่สภาวะที่เกิดขึ้น คือณเวลาเนี้ยเวลาที่รู้สึกลงไปเนี่ยจะเห็นทั้งตัวสภาวะแล้วก็เห็นทั้งผู้ที่วิรู้สภาวะนี้เนี่ยถ้าได้พระโสดาบันนะไอ้ตัวที่เป็นคนดูไอ้ตัวเราเนียนะจะหายสับสนไปเลยจะไม่มีอีกเนะี่นจะว่างเปล่ามันดูออกมาจากความไม่มีอะไรเลยครับอันนี้ผมรู้รู้สึกได้ถูกต้อ ง, องได้ถูกต้องนะ นี่มันเป็นการพัฒนาการทางปัญญาข้างสําคัญเลยรเราเริ่มเห็นความเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วครับต่อไปเราจะรู้เลยไม่มีจริงหรอกแล้วก็พามันตัดขาดจริงจริงอริยมรรคตัดแล้วต่อไปดูลงมาจะกลวงๆจะไม่มีเราผูด้ดูอีกแล้วแต่มีการดูดูออกมาจากความไม่มีอะไรตอนนี้ยังไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่ต้องเข้าใจนะเ้าใจก็คิดเอาแล้วก็ไม่มีทางเข้าใจมันเข้าสมอง <c oughs> เข้าหู แต่เข้าหูเนี่ยโดยกฎเกณฑ์นนะข้าหูซ้ายต้องออกหูขวานะ <c oughs> อย่ากเก็บมาไว้ผมว่าครับมีคือมีบางครั้งที่ดูสภาวะอย่างเช่นโทสะอะไรเงี้ยฮะมันเกิดขึ้นเนี่ยมันบางครั้งผมมีความรู้สึกว่าเมื่อมองลงไปแล้วเนี่ยสภาวะของโทสะหรือราคาหรือก็ตามเนี่ยยังยังอยู่แปะอยู่ห่างๆแล้วก็ <c oughs> มีตัวผู้รู้อยู่แต่ว่าไอ้พวกสภาวะอกุศลเหล่านั้นเนี่ย บางครั้งมันไม่ได้ดับไปไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันครับสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุยังอยู่มันก็ยังอยู่นะแต่มันไม่ใช่เราดูไปงั้นเห็นไหมมันไม่ใช่เราสักอันเดียวมันอยู่ไกลๆแม่ไม่ดับอีกก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราอ๋อครับผมอ่ะคนไหนพี่คนไหนน้องคนนี้พี่พี่ครับเออช่วงประมาณปลายปีที่แล้วครับรู้สึกว่าพาวามันเสื่อมทีนี้ก็พยายามจะดูความเสื่อมของมันอื ถ้ยิ่งดูมันยิ่งดิ้นนะครับ<ม>พอยิ่งดูยิ่งดิ้นก็ยิ่งซึมมันยิ่งดูไม่ออกเลยวันหนึ่งก็บอกเอ้าทั้งมันก็ปล่อยมันไปตามกรรมมันอถ้าดูมันไปเรื่อยๆก็จนวันหนึ่งอยู่ดีจิตมันตื่นขึ้นมาเองเออนั่นหแหละเขาเห็นเขาเองฮะ<ม>หลัางจากนั้นก็ผมก็นั่งเออสมาธิแล้วก็ในสมาธิก็ดูดูจิตไปด้วยว่าขณะที่ภาวนาไปเนี่ยเรถลดลมหายใจไปแล้วจิตออกไปคิดก็ตามตามดูคิดว่าทันทีหลุดไว้แล้วก็ตัดตัดจนลืมลมหายใจครับ ก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาพีก็ทํางานตามปกติเองครับใช่ดีการพนมสการ์ครับผมปฏิบัติถูกยังครับถูกครับรู้สึกเรื่ยๆนะแล้วกิเลสโผล่มารีบรู้เลยครับพี่รู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยมันมีเราดูไม่ขานนะไปดูต่อมันมีเราดูฟุตขึ้นมารู้สึกตอนที่เผลอๆนะี่ยดูๆนะมันมีความเป็นเราแทรกขึ้นมา ดูอีกนะอย่าถอยน ะ, อะตอนที่พวกเราที่เป็นนักดูจิตเนี่ยเวลาสากักยัติทีขาดเนี่ยดูยากดูยากเพราะอะไรเพราะในขณะที่เกิดสติขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีสกักยัติทิถิเราะนั้นเราต้องรอดูทีเผลอรพรทีเผลอเนี่ยนั้นมันจะมีเราผู้ดูแฝงอยู่จะมีเงาของความเป็นตัวเราแทรกเข้ามาเราไปให้ตุลมันช่วยดูให้ ว่าเวลาเผลอๆนะมันจะมีเงาของความเป็นเราแทรกเข้ามาไหมนะไให้เขาดูอีกคนหนึ่งไปเออก็เท่าที่ปฏิบัติมาก็รู้สึกว่าเริ่มมีความพอใจที่อยู่ใสกลางมากขึ้นแต่ก่อนจะติดไปในทางที่อยากได้ดีเมื่อไหร่จะได้สักทีมีความ เร่งเร่งเร้านะคะแต่ตอนนี้มีมีมีบาลานซ์ค่อนข้างดีก็รู้สึกพอใจในจุดนั้นทีนี้ในเรื่องใจรักนะคะจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าโดยความสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยมีความมั่นในอนิจจังมีอะไรนะมีความมั่นในถูกต้องในอนิจจังค่อนข้างจะเห็นได้ชัดแล้วก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาเวลาดูจิตปั๊บเด็กก็จะรู้เลยว่านี่อันนี้เนะี่ยมันอนจกกิจจังก็รู้นะคะแต่ทีนี้อันนึงที่มันอาจจะเป็นทําให้ ตัวอนัตตามันยังไม่เกิดก็เพราะว่าเรื่องทุกข์อะค่ะเรื่องทุกข์นี่ะระยะ4ะ6เดือนมานี่ก็จะมีปัญหาเรื่องหลังเป็นมากขาเป็นมากอันนี้เลยทําให้เห็นทุกข์แต่เวลาเห็นสุข ก, ก็ยังไม่ไม่คิดแบบนั้นคือทุกข์มันมันก็เลยทําให้ยังยังไม่เห็นไม่ไมพี่ตุม่มไม่ต้องดูขนาดนั้นยังมีความทุกข์ขึ้นมาถ้าใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอย่างนี้ใช้ได้ มีความสุขขึ้นมาใจเราชอบรู้ว่าชอบใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าเห็นความสุขก็ต้องเฉยเฉยไม่จําเป็นค่ะทีนี้มันก็ก็ทําอย่างที่หลวงพ่อว่านะคะแต่ทีนี้มันจะมีว่ามันยังไม่รู้สึกว่ามันไม่มียังยังยังรู้สึกว่าะจะจะคิดว่ารักตัวก็ไม่รักนะคะจริงมันมีหลายๆช่วงที่คิดว่านี่มันก็เบื่อแล้วอะคะ่ะแต่อาจจะไม่เบื่อจริงอะคะ่ะ พี่ตุ่มรู้สึกไหมตอนนี้ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยภาวนาเข้าร่องเข้ารอยแล <c oughs> ้วเข้าร่องเข้ารอยค่ะใช่นะเหมือนเราขึ้นถนนได้แล้วเดินไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็ถึงปลายทางนะ้ของเฟรชทําได้น่าทึ่งมากเลยนะที่ว่าสมองเขาเสื่อมแล้วก็ทําให้นมาได้ค่ะ <c oughs> อันนั้นช่วยได้มากเลยค่ะช่วยได้มากเลยนะเพราะว่าหลุดจากสมรรถะนะคะที่หลวงพ่อช่วยค่ะลดออกมาได้แล้วนะเขาเดินต่อได้แล้วเขาเดินปัญญาได้ หมอพีค้นกว้ามากไปมันรักตัวเองแรงไปมันเลยค้นกว้ามากนะค่ะอยๆดูไปนะค่อยดูไปว่าไม่ว่าจะมีอะไรแปลกปลอมเข้ามานะค่อยรู้ลูกเดียวเลยหมอพีรู้สึกไม่บางทีมันยังมีความรู้สึกเหมือนมีเราดูอยู่นั่นแหลตัวนั่นแหละคือสักยะทิจิล ะ, ะคือถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วตัวนี้จะไม่มีแต่นี้มันยังมีเราดูอยู่ ให้ดูนะฝึกอยู่ได้ดีมากแล้วมันคล้ายๆแม่แปดเอเก้าสิอะไรเงี้ยขาดอีกนิดหน่อยคือพอที่บอกว่าหนูแบบไม่ไว้ใจตัวเองเหมือนกั น, นะคะ่ะคือหนูเฝ้าดูตลอดเลยคะ่ะหนูก็เห็นว่ามันมีนมอยู่เราอยู่น ะ, ะหนูส่งกันบ้านพี่ตนไปที่ในอีเมลอะหนูก็บอกว่าเอ๊ะพี่ตนบางครั้งมันมีเรามันมีเราอยู่เป็นแท๊กเป็นเงาเงาตอนที่มันเผยอะคะ่ะหลวงพ่อมันมีเงาของความเป็นตัวตนขึ้นมา แต่บางทีมันก็ปลง่งมาทีมันก็มีเงาพเพรารามีสติขึ้นมามันจะหายไปเนี่ยพวกที่เราดูจิตชำนิชนานาญนะเวลาเป็นพระโสดาแล้วเนี่ยดูยากดูยากเพราะขณะที่มีสติอยู่มันไม่มีสักยทิฐิสักยัติจิเป็นอกุศลเป็นทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิในขณะที่มีสติมันจะไม่มีเั้นต้องเล่นทีเผลอต้องเผลอๆๆๆไปนะแล้วก็มันจะแสดงตัวจริงออกมาแล้วค่อยๆสังเกตของพีสังเกตมากไปค้นกว้าแรงไป ตอนที่มันปล่อยเบาๆค่ะหลวงพ่อที่แบบส่งเมื่อวานกับวันก่อนอะไรเงี้ยมันเห็นหลายลายรอบเหมือนกันนะคะก็เลยบอกไม่ได้เหมือนแบบเออมันก็เห็นว่าตัวนี้มีอยู่นะอะไอดีแล้วดีแล้วจะได้ไม่เสียใจนะหลวงพ่อเกรงใจมากเลยเวลาจะฆ่าผ้าดียะเสองคหนึ่งเพราะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพอพอรู้ปั๊บมันก็แบบก็ดูต่อไปสิอะไรเงี้ยมันปมันก็หายไปใช่ค่ะก็แบบ มีหายมีหายก็คื อ, อไม่ได้รู้สึกแบบนม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มอช่ไหมไม่ต้องทำะอะไรก็คือรู้อย่างนั้นนะแต่เขาพีอ่ะ <Danielle. S 1> อย่าถลําลงไปดูให้ดูเหมือนคนดูฟุตบอลนะนั่งบนอัธจันทร์แล้วดูเขาเล่นเขาพี่ชอบถลําลงไปอยู่ในสนาม <c oughs> ให้รู้ทันว่าจิตกระโจนลงสนามไปอ่ะคนโน้นว้ายร้องน่าสงสารจังเลย โยมก็อยากคุยกับหลวงพ่อแต่ว่าโยมอายอืออายอะไร <c oughs> เขาเรียกว่าอายครูบอรู้วิชาไม่โยมคิดว่าโยมไม่ได้ถามก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโยมคิดว่าหลวงพ่อไม่ทิ้งไม่ทิ้งโยมหรอกค่ะ <c oughs> จะเิญเมื่อไหร่หลวงพ่อกมทักเองโอ้อย่างนั้นไม่ไหวนะ <c oughs> หลังๆโยมเยอะแต่ <c oughs> ประเภท เหลอไปแล้วหลวงพ่อคงจะบอกให้อะไรเงี้ยหลวงพ่อดูบางวันนะดูไม่ทั่วห้องด้วยซ้ําไปยมมาบ่อยไงคะ่ะแต่แต่ถ้าได้ไม้แล้วก็จะจะส่งนะก็ยมก็มีเห็นว่าเวลาตัวเองฟุ้งซ่านนะคะมันมันมีความรู้สึกอยากหายแล้วก็เวลามีสุขอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าอยากหายเพราะคิดว่าอยากหายอะคะ่ะมันมีความรู้สึก มันรู้สึกลอยขึ้นมาอย่างลึกๆอะค่ะโอ้ยางงั้นใช้ได้ยาให้รู้ความรู้สึกนั่นแหละค่ะมันมันเอียงมันจะมีสุขหรือฟุ้งซ่านมันก็จะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งโดยที่เราไม่ได้อยากเป็นเออต้องอย่างนั้นนะภาวนาต้องทําอย่างงั้นแหละค่ะแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอะทุกทุกเนี่ไม่ได้ทุกเพราะว่าทำมาหากินแต่มันทุกอยู่ลึกๆอะค่ะแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่ง ก็จะสนุกได้หัวรอดได้แต่ความทุกข์มันก็อยู่ข้างล่างอะค่ะหง อ, อ, อ, อนดูไปอย่าไปกดมันนะ <c oughs> ดูเล่นๆไม่ไปกดมัน <c oughs> ดีใช้ได้ <c oughs> พี่ตุม๋มภาวนาดีขึ้นเยอะนะขอ ง, Fred, ของเฟดคุณเฟดด้วยเฟดเขาตื่นเต็มที่แล้วให้รู้สึกไปเลยแล้วอัลไซเมอร์ดีขึ้นไหมไม่ใช่เอาเป็นชื่อก้าวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยใหม่หนนะ่อยหน คือบางครั้งเวลาปฏิบัติไปส่วนหนึ่งอะคะ่ะถ้าติดสมถามากค่ะเวลามันจะมีอาการทางทางร่างกายอะคะ่ะมันจะไปผูกกันกับการปฏิบัติอย่างสมถะเนี่ยคะ่ะมันเลยออกมาเป็นแบบที่อันนี้อย่างที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเอาซัมเมอร์ปลอมอะคะ่ะ <c oughs> มันเลยเลยเล ย, เลยออกมาให้เห็นภาพแต่พอหลังหลุดออกมาจากสมถะ <c oughs> แล้วก็มารู้สึกตัวดีขึ้น <c oughs> อันนั้นมันก็ มันก็เลยหายไปเลยอะค่ะนี่จริงๆแล้วบางทีเราไปเพ่งไว้เพ่งเป็นเยอะนะแต่าบางคนเพ่งแล้วพลังจิตมันแรงเพ่งใส่สมองตัวเองสมองพิการไปเลยแล้วแก้ไม่ได้เลยก็มีเคยเห็นอย่างนี้พอจิตมันไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งไว้นิ่งๆนานๆมันเหมือนเออๆไปเลยเพอหลุดออกมาก็หายเลยอันนี้ไม่ได้เพ่งรุนแรงอย่างดีนะอย่างบุญเอาเชิญโยมกลับบ้านไปไปลดน้าตัวเอง อห่ารดน้ํารวดดินนะใส่ปุ๋ยปุ๋ยใส่มากต้นไม้ตายนะนะเพราะฉั้นอย่ารีบร้อนว่าต้นไม้จะต้องโตในวันนี้ออกดอกออกผลวันนี้ใส่ปุ๋ยเยอะไปต้นไม้จะตายรดน้ํามากก็ต้นไม้ตายไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่โตนะไม่รดน้ําก็ต้นไม้ ก, ก็ตายเหมือนกันไม่รดน้ําคือขี้เกียจอย่าขี้เกียจนะขี้เกียจเป็นคําที่เกลียดที่สุดเลยไปนะสู้เอานะคุณตรงถอยออกมาเข้าไปกออีกแล้วอ่าเชิญกลับบ้าน